คนที่ภาวนาเป็นนะเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงน้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเดิมเวลาเจอปัญหาชีวิตสติแตกทุกข์ทนไม่ไดนะ้ภาวนาแล้วเนี่ยมันยังตั้งหลักได้เป๋ก็เป๋นนิดหน่อยนะคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองคนถัดไปก็คือคนในบ้านเราคนที่แวดล้อมเราอยู่ ลายบ้านเลยที่แต่เดิมร้อนเป็นไฟเลยตีกันเช้าสายบ่ายเย็นเจอหน้ากันก็ทะเลาะ ก, กันไปเรื่อยๆมีนาบางบ้านสามีเอวเวียนหัวมากเลยกับภรรยาตอนจีบกันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นตัวดีกว่านี้มากเลยเดี๋ยวนี้สวยก็น้อยลงแก่ขึ้นปากก็มากนิสัยก็เสียเอาแต่ใจเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลย จากสาวน้อยไร้เดียงสาเป็นนางมารร้ายนะไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็สู้มันไม่ได้สู้ใครก็สู้อย่างไม่ยากนะทะเลาะกับคนอื่นใช่ไมเรากลับบ้านเราก็สบายแล้วใช่ไหมมีปัญหากับคนในบ้านโหเดือดร้อนตลอดเห็นหน้ากันทั้งวันลำบากเนี่จะแก้ไขยังไง จะหนีไปไ ม, มีเมียน้อยก็ยิ่งโดนหนักใช่ไหมมีเมียน้อยเนี่ยเป็นคดีซึ่งไม่มีอายุความนี่ผู้ชายบางคนเนะ่ยฉลาดใช้วิธียังไงที่จะปรบับภรรยาที่ร้ายกาจเอาซีดีหลวงพ่อ น, นี่แหละไปเปิดเปิดทีแรกก็ทําเป็นฟังเองนะเมียก็อะไรว่ามันเปิดเลยทั้งวันทั้งวันเลยนะฟังไปฟังมานะไอ้เมียรเริ่มเงียบเงียบเงียบ ในสุดก็เปลี่ยนนะภรรยาเนี่ยเปลี่ยนได้หรือบางคนภรรยาเปลี่ยนก่อนสามีสงสัยว่าภรรยามาวัด น, นี้แล้วทำไมเป็นคนใหม่คล้ายๆได้ภรรยาใหม่เลย น, ะนี่ใส่ใจขอเปลี่ยนตามมาก็มีนะเพราะงั้นมาเป็นครอบครัวก็มีเะงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนแรกเลยที่ได้รับประโยชน์คือตัวเราคนต่อไปคือคนที่แวดล้อมเรา แล้วต่อไปก็จะกว้างขึ้นนะในสังคมของที่ทํางานในอะไรนี้ก็จะค่อยๆกว้างออกไปเราไม่ต้องไปโฆษณาว่าเราปฏิบัติแต่เราปฏิบัติให้เขาดูเราเปลี่ยนตัวเองให้เขาดูให้ได้เราเคยเลวเคยร้ายนะเราค่อยดีขึ้นดีขึ้นให้เขาดูให้เขาแปลกใจเลยว่าทําไมมั น, เ ป, นเป็นไปได้แล้วเขาก็จะสนใจการปฏิบัติพากันปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อใช้วิธีนี้หลยอยู่ที่ทํางานไม่ทาอะไรไม่ต้องไปสอนใครนะ เราถึงเวลาเราก็บอกเราจะไปวัดละอะไรเงี้ยไปกลับมาหนะังสือมาฝากบ้างอะไรบ้างนะนานๆไปเขาก็ถามเราพ่อนายยังไงทําไมดูผ่องใสทํำยังไงจะปฏิบัติถือศีลห้าไว้ก่อนทําไมต้องถือศีลห้ศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองเราเบียดเบียนคนอื่นได้ด้วยอะไรบ้างเราเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขา เราถือศีลข้อหนึ่งเราไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นชีวิตร่างกายเขาเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดเราไม่เบียดเบียนเขาสิ่งต่อมาที่เขารักนะก็คือทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาสิ่งต่อมาที่เขารักนะคือลูกเมียเขาเราไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ทําร้ายเขาสิ่งต่อมาที่เขารักนะคือชื่อเสียงเกียรติยศเราไม่ไปด่าว่าเขาไปใส่ร้ายเขานะ งั้นสี่เนี่ยหนึ่งสสามเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นข้อสุดท้ายไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเองธรรมดาเราก็สติไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคล้ายๆคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ละคนอ่ะงั้นยิ่งไปกินเหล้าเมายานะยิ่งไปใหญ่เลยงั้นอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยสิ่งเสพติดทั้งหลายพยายามฝึกสติไว้ดีที่สุดเลยศินห้านี่คือเรื่องการไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนสติของตัวเอง หลังจากนั้นเราก็มาฝึกจิตใจให้มันมีความสุขความสงบบ้างจิตใจที่ดิ้นเล่าร้อนตามกิเลสไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหาความสุขหาความสงบไม่ได้อย่างแท้จริงทุกคนอยากได้ความสุขแต่ทุกคนหาความสุขไม่ได้สักทีความสุขเหมือนภาพลวงตาเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หายไปนะหามันไม่ได้ก็วิ่งพลานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะล้วนแต่หาความสุขแล้วก็หาไม่ได้ เรามาหาความสุขด้วยตัวเองความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจมันมีความสงบนเองที่ใจมันไม่มีความสุขเพราะมันมวุ่นวายเรามากลับมาอยู่กับจิตใจของตัวเองบ่อยๆหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่หาบ้านให้จิตอยู่อยู่กพุโทโธอยู่ก็บลมหายใจไปพุโทโธไปหายใจไปนะแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตนี้ออกจากบ้านไปแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหนีไปฟุ้งวายเรื่องอื่นรู้ทัน นะใจมันจะค่อยๆสงบเข้ามานะใจมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยมันค่อยมีความสุขพอมีความสุขมันจะไม่วิ่งพล่านไปทางอื่นที่คนเราวิ่งพล่านไปตลอดเวลานะเพราะวิ่งหาความสุขแล้วมันไม่เจออย่างวิ่งไปดูหนังห ว, ว, ว, งงงงงงวังว่าจะมีความสุขดนะูแล้วก็งั้นๆไปฟังเพลงฟังแล้วนึกว่าจะมีความสุขนะก็งั้นอีกบางคนไม่ฟังเพลงนะไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะนานๆได้ยินแว่วๆมา จะร้องเพลงหวังว่าจะมีความสุขไม่รู้หรอกว่าสร้างความทุกข์ให้คนอื่นขนาดไหน <c oughs> อวันร้อนเราเรารู้สึกหมาเราหอนยังฟลักควายอยูออนะบางคนห <c oughs> มาเราหอนเยือกเย็นฟังแล้ววางเวงนะนั่นอะไรก็ไม่รู้ร้องแวลเวลเวลไปเนี่ยทาไมต้องไปดิ้นรนไปร้องแหกปากนั้นหวังว่าจะมีความสุขไปกินเหล้าเมายาก็หวังว่าจะมีความสุขนะไปเที่ยวทัศนจร หาเงินไปยุโรปไปอเมริกาไปมันดิฟอะไร ห, หวังว่าจะมีความสุขเนี่ยอยากได้ความสุขตลอดเวลาเลยแต่พอไปสัมผัสเข้าจริงๆแล้วทุกอย่าง ก, ก็งันงันแหละรู้สึกไหมเคยไหมจะจีบสาวสักคนคิดว่าจะมีความสุขพอได้มาแล้วก็งั้นๆแหละเนี่นเยนะนะเหมือนกันหมดนะผู้หญิงก็เหมือนกันนะแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโง่คนละแบบผู้ชายนะโง่ในแง่ที่คิดว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยน ผู้หญิงก็โง่ในแง่ที่คิดว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได้นะตอนเป็นแฟนนะเห็นนิสัยไม่ดีคิดว่าเดี๋ยวแต่งแล้วเราจะค่อยดัดแปลงเขาเนี่ยไม่ฉลาดมันดัดแปลงไม่ได้หรอกส่วนผู้ชายคิดว่าผู้หญิงจะหวานแบบอย่างนี้ตลอดชาตินี่ก็เข้าใจผิดเดีนะ๋ย แ, แต่ละคนนั้นเต็มไปด้วยความอยากได้ความสุขนะดิ้นไปดิ้นไปหาความสุขไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรามามีความสุขอยู่ในตัวเองความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่น หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพุโทโธไปรู้สึกตัวไปรู้เท่าทันจิตใจของเราเองไปเรื่อยจิตใจค่อยสงบพอจิตใจสงบมีความสุขความสุขอย่างอื่นเทียบเท่ากับความสงบไม่มีเลยนะความสงบนี่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่กว่าความสุขอย่างอื่นนี่เราไม่เคยรู้จักสงบเราก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยความสุขไม่รู้จักจบเพราะว่ามันไม่มีจริงนะงั้นแต่ละวันเราแบ่งเวลาไว้ ไหพระสวดมนต์ซะแล้วทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองจิตหนี้ไปเรารู้จิตหนี้ไปเรารู้จิตฟุ้งซ่านล้วรู้นั่นแหละจิตหนี้ก็คือฟุ้งซ่านพอรู้ทันรู้ทันจิตค่อยรวมเข้ามานะสงบสบายเข้าฌานได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรแค่นี้ก็มีความสุขมากกว่าคนปกติแล้วนะเนี่ยทุกวันฝึกอย่างนี้นะจิตนี้เรารู้ไปเรื่อยๆ ในสุดจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวได้สมาธิพอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็ถึงขั้นเดินปัญญานะเห็นร่างกายเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นจิตใจทํางานนะปรุงแต่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูทํางานเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็เกิดเป็นรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะ เนี่ยดูมันทำงานไปเรื่อยให้ดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยนะมีใจเป็นคนดูสบายๆร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูดูแล้วดูเหมือนเห็นคนอื่นเวลาเคลื่อนไหวก็เห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวเวลาสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นก็เหมือนเห็นคนอื่นสุขเห็นคนอื่นทุกคนอื่นดีคนอื่นชั่วเราเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวข้องเนี่ยฝึกมากๆนะสุดท้ายมันจะเกิดปัญญาขึ้นจนพบว่าตัวเราไม่มีหรอก โลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะสภาวะทั้งหลายมีอยู่รูปธรรมมีอยู่นามธรรมมีอยู่มีเพราะมีเหตุไม่ใช่มีเพราะเราสั่งแต่มีอยู่ก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะจะเห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งพอมันไม่มีเราซะแล้วต่อไปความทุกข์มีไหมความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมันไม่มีเราขันห้ามีอยู่นะก็ไม่มีเจ้าของอีกขันห้ามีการกระทํานะแต่ไม่มีเราผู้กระทํา ร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายใจมันสุขใจมันทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์ใจมันดีใจมันชั่วไม่ใช่เราดีเราชั่วเนี่ยจะค่อยๆถอนถอนตัวออกมานะความทุกข์มันจะลดหายไปหลาย 10% บเนลยทันทีที่เห็นว่าตัวเราไม่มีคือมันไม่มีที่จะรองรับความทุกข์นะแต่ความยึดถือมันยังมีอยู่ด้วยความเคยชินเก่าๆนะ พอภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตก็หมดความยึดถือเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าขันนี้คือตัวทุกข์อย่างแท้จริงขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันมีขันแต่ไม่มีเจ้าของแล้วสิ่งที่มีนั้นคืออะไรสิ่งที่มีนั้นคือทุกข์ถ้าเห็นว่าขันเป็นทุกข์นะก็คือที่สุดแห่งทุกข์หลุดจากขันตรงนั้นเองจิตพ้นจากขันคือสัมผัสพระนิพพานเลยที่สุดของทุกข์อยู่ตรงที่ว่าจิตมันปล่อยวางขันได้นี่เอง มันปล่อยได้เพราะมันเห็นความจริงของขันนะ้ไม่น่ายึดถือทําไมไม่น่ายึดถือมันเป็นตัวทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะมันเป็เที่ยงมันทุกข์เพราะถูกบีบคั้นมันทุกข์เพราะมันไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยนะจนปัญญามันค่อยสะสมไปเป็นลําดับลําดับเบื้องต้นเห็นว่าไม่มีเราเบื้องปลายเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเมื่อกี้ตอนที่พวกเรา ตักข้าวนะพวกพี่เลี้ยงเข้าไปนั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อถามพวกพี่เลี้ยงนะั่นให้ดูเห็นไหมใจมันยังผูกพันอยู่กับโลกนะแต่ละคนถามว่าถามก่อนว่าใครอยากนิพพานอุยกมือกันสลอนเลยนะบางคนอยากยกสองมือเลยนะสองมือยอมแพ้อยากไม่งั้นแต่ยอมแพ้ไม่เอาเลยนะถามว่าใครอยากนิพพานยกมือแล้วสังเจตไหมใจยังติดโลกอยู่ใจมันอะไรวอน มันยังอะไรอวรนโลกนะจะให้ปล่อยทันทีเนี่ยไม่ปล่อยหรอกเสียดายอยากได้นิพพานรู้ว่านิพพานดีแต่เสียดายโลกปล่อยไม่ได้ทําไมเสียดายโลกโลกยังให้ความอดเด่น อ, อร่อยอยู่บอกตรงนี้แหละคือที่จะทําให้หลุดได้หรือไม่ได้ถ้าเมื่อไร่เห็นโลกยังอเด่นร่อยอยู่นะไม่มีทางหลุดพ้นหรอกถ้าเมื่อไร่เห็นโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนี่คือทุกข์ล้วนๆเลยนะตรงนั้นแหละหลุดจากโลกเลยตัวดจากขันได้เลยนะถึงพระนิพพานตรงนั้นนหะ งั้หน้าที่เรานอกจากรู้ทุกแล้วก็มีอย่างอื่นหรอกนะรู้ทุกให้มากคือรู้รูปนามตามความเป็นจริงรูปนามกายใจเรานี่แหละคือตัวทุกสิ่งที่เรียกว่าทุก์คือรูปนามกายใจจำไว้นะคําว่าทุก์ในนิยามของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือรูปนามนี่เองคือตัวทุกขรู้ทุกก็คือรู้รูปรู้นามไปเรื่อยรู้แล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็จะหวังเวลารู้ทุกแจ่มแจ้งก็จะละความอยากเนี่ยใจแต่ละคนจะมีความอยากอยากอะไรอยากอยู่กับโลก เพราะว่าคิดว่ารอบมันนําความสุขมาให้อันนี้ทุกข์ก็ยังอยากที่ได้อย่างอื่นซึ่งมันมีความสุขนะใจอยากที่ได้อย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งรักอย่างหนึ่งอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนั้นใจจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะเที่ยวดิ้นรนสแสวงหาไปด้วยหาอะไรหาความสุขหนีความทุกข์ไปด้วยดิ้นไปด้วยต่เมื่อไรปัญญาแก่กล้านะเห็นในโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขนะ จะเห็นว่า UM ม uh ีทุกมากกับทุกน้อยพอเห็นอย่างนี้จิตมันจะคลายออกจากโลกนะไม่ต้องพูดเลยเรื่องบรรลุมรรคผลนํามันบรรลุของมันเองถ้าจิตมันฉลาดพอรู้ทุกเมื่อไหร่ก็หมดความมาแลวบอลในโลกเรียกละสมุทัยได้หมดความอยากหมดความหิวโหยในโลกหมดความอยากหมดความหิวโหยในโลกนะจิตที่เข้าถึงสันติสุขคือพันธุ์านที่แท้จริงจิตที่ยังหิวอยู่เข้าถึงพันธุ์านไม่ได้หรอกนะ จิตที่หิวคือจิตที่มีตัณหามีตัวสมุทัยที่มันหิวอยู่เพราะมันไม่รู้ทุกข์งั้นหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์รู้รูป ร, รู้นามให้มากๆอย่างที่เขาเป็นเจอกระทั่งวันหนึ่งรู้จริงนะมันจะหมดสมุทยัยคือหมดความอยากหมดความหิวโหยของจิตพอหมดแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสพระนิพพานใจมันจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงอะไรเป็นนิพพานอะไรเป็นนิพพานนิพพานมีลักษณะไหมนิพพานไม่ได้ว่างเปล่า นิพพานเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวของพระนิพพานก็คือสันติวัดที่นี่ชื่อวัดสันติธรรมสวนสันติธรรมทําไมเป็นสวนไม่ใช่วัดป่าเป็นการบอกว่าไม่ใช่วัดป่าเป็นแค่สวนไม่ใช่บ้านด้วยครึ่ ง, งๆกลางๆบอกไปวัดป่าเดี๋ยววัดป่าประทวงบอกเขาไม่เห็นถือข้อวัดแบบวัดป่าเลยนะวัดตากเขาเข้มนะนั่งกินข้าวแบบนี้เขาก็ไม่ยอมนะ พระคนลนิกายนั่งกันไม่ได้เลยเข้มแต่หลวงพ่อไม่ถือหรอกทำไมไม่ถือพระพี่นายไม่ได้ห้ามทีเดียวคือถ้ามีศีลเสมอกันน ะ, ะโคนลนิกายก็ครบกันได้ไม่ใช่ว่าครบกันไม่ได้พระมหานิกายที่ดีๆมีไหมเราคิดไหมว่าพระมหานิกายจะภาวนาดีๆมีไหมท่านภาวนาดีได้ท่านต้องเป็นเป็นพระจริงๆ แสดงว่ามหานิกายเขาก็สืบทอดมาได้นะไม่ใช่ว่าขาดช่วงความเป็นพระไปแล้วถ้าขาดช่วงไปแล้วปภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ น, ะนี่ภาวนาได้ภาวนาดีด้วยซ้ําไปก็มีไม่ใช่ไม่มีงันที่กายไม่สําคัญนะสำคัญว่ามันเป็นจะรีตประเพณีมาอย่างนี้เวลาทําข้อวัดบางอย่างก็แยกกันทํา หมดเวลาที่ทําอะไรที่ต้องแยกกันทําแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหารหรอกพระไม่ถือหรอกแต่บางท่านท่านถือท่านถือก็ <c oughs> เรื่องของท่านนะมีบางวัดนะท่านจะมาเรียนธรรมะ ม, มาฟังเนี่ยท่านจะมาตอนให้ฉันเสร็จตัว น, นะท่านไม่อยากนั่งกับพระนิกายต่างกัน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็มีเลยอดฟังเทศตอนเช้ชาซึ่งดี ด, ดีตอนเทศตอนเชา้าอ่ะ หัวลอ้อเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะลองยิ้มสิอย่าเพิ่งฝูกปากนะลองยิ้มไว้เห็นไหมตัวอะไรยิ้มลองพยักหน้าสิเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าร่างกายมันเคลื่อนไหวนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆหลวงพ่อชอบให้ยิ้มนะเวลายิ้มแล้วใจเรามันเปิดง่ายรู้สึกไหมเวลาเรายิ้มใจเราคลายออกเวลาหน้าเบึ้งเนื้อใจมันหุบ เวลาใจคลายออกเนี่ยใจที่คลายออกเนี่ยรับธรรมะง่ายใจมันเปิดใจอย่างเงี้ยรับธรรมะไม่ลงนะเอายิ้มหวานเนี่ยยิ้มขนาดเนี่ยกำลังพอดีรู้สึกไหมใจผ่องใสใจสบายรู้ไปเห็นร่างกายยิ้มเห็นจิตใจสบายใจเราเป็นคนดนะูบางครั้งมันก็รู้อยู่ที่กายที่ยิ้มบางครั้งมันก็รู้อยู่ที่ความรู้สึกที่ผ่อนคลายถ้ารู้ร่างกายที่ยิ้มนี่ก็ใช้รูปเป็นอารมณ์ ถ้าเห็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี่ใช้นามเป็นอารมณ์ใจเป็นคนดูก็เห็นรูปที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่ตัวเราไอ้ใจที่เบิกบานใจที่ผ่อนคลายเนี่ยมันก็ผ่อนของมันเองเราไม่ได้สั่งนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรา เ, เห็นอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆก็เห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเหรอกนะฝึกมากๆรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกในใจทําอะไรไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนจําไว้นะยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆใครเขาด่าก็ยิ้มไว้ก่อน เน้าเอ็นดูออย่างเงี้ยอา้าวส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนนมัศการค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาสองปีแล้วค่ะอืมไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ว่าคือสองปีที่ผ่านมามันก็มันก็มีพัฒนาการของมันไปอะคะ่ะหลวงพ่อไอ้ที่เราแย่ๆมันก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนแก้เราก็ปิดจุดบกพร่องของเราอืมดี อนินยูชนนะมินยูชนเราเตือนตัวเองนะคเ<ะ>ตือนตนด้วยตนเองอะไรไม่ดีเราก็รู้นี่อะไรดีไม่ดีเราก็รู้ที่ไม่ดีก็อย่าไปทํามันอย่าไปยอมมัน<ะ>ที่เราไปทําไม่ดีเพราะเราแพ้กิเลสแล้ว<ะ>ใช่ไหมเรารู้ทันกิเลสครอบใจเราไม่ได้ไม่แพ้มันเราก็เลือกเอาสิะอะไรควรทําก็ทําอะไรไม่ควรทําก็อย่าไปทําคำแล้วชีวิตมันจะโปร่งนะชี้มนจะเบาขึ้นรู้สึกไหมโลกมันหางออกไป ใช่ค่ะโลกมันหาอยู่กับมันเนี่ยแต่ไม่ติดกับมันมีความสุขหันไปทางไหนเขาโน่าสงสารแต่ใจมันไม่ติดนะใช่ค่ะไปฝึอกอีกทำถูกแล้วก็ขอถวายผลบูชาหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทุกชาติแล้วก็ชาตินี้มีหลวงพ่อเป็นที่สุดค่ะออโอเครับทราบนะหมดธนาด้วยกราบหลวงพ่อคะ่ะ ืเพ่งเพ่งเพ่งก็รู้นะรู้ว่าเพ่งทําไมเพ่งเพาอยากดีอะว่าไปมันมันเหมือนใจพอจะหลงแล้วมันมันก็แบบจะมาจับด้วยความเคยชินแล้วมันก็จะกลายเป็นเพ่งเพ่งเพ่งอย่างเงี้ยตลอดว่าเพ่งกับเผลอนะเพ่งก็ยังดีกว่าเผลอเผลอไปอภัยเพ่งไปสุขติเพ่งแต่ไม่ไปนิพพานเท่านั้นเองทำไมเพ่ง ถ้าเหตุของการเพ่งยังอยู่การเพ่งก็เกิดอีกเป็นเพ่งเพราะรักดีรักดีหามจัวจัวหนักนะเพ่งไปหนักไปเลยแต่อคือเพ่งแบบนี้นี่เหมือนจิตมันเพ่งเราไม่ได้เพ่งอะไรเงี้ยได้เห็นจิตมันเพ่งเราไม่ได้เพ่งก็ยังดีดีกว่าเราช่วยมันเพ่งจิตมันเพ่งของมันเองไม่เป็นไรค่ะนะแค่แค่เห็นว่ามันทํางานของมันไปด้วย เห็นไหมมันทํางานได้เองใช่ค่ะเดี๋ยวมันสุกเองทุกเองดีเองช่วยเองนะดูเขาทํางานดูในมุมที่ว่ามันทําเองเ่ยดูอย่างนี้บ่อยๆพวกขี้โมโหโทสะมากพวกปัญญากล้าดูอนัตตาอ่ะหลวงพ่อตอนเมื่อสองเดือนที่แล้วหายมส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สารารุงชินมีประเด็นเรื่องขี้เกียจ ขี้เกียจทำงานหลวงพ่อสรุปให้ว่าขี้เกียจทํางานตอนพอกลับไปดูสองสามวันมันก็เห็นความขี้เกียจมันก็หายไปตอนนี้มันก็กลับมาอีกก็คือนอนเริ่มนอนอีกทีนี้เริ่มเลยนะนอน ค, ออคงคงจะเข้ารอบขี้เกียจอีกอะคะ่ะง่วงก็ต้องนอนหลวงพ่อยังนอนเลยโยมก็แกะกันบ้านเองว่าคงจะขี้เกียจอีกแล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงตอนที่ไปส่งกันบ้านเขาที่แล้วแต่ ตอนหลังจากที่หลวงพ่อเฉลยคราที่แล้วว่าขี้เกียจเนี่ยหลังจากนั้นก็ยอมขี้เกียจจริงๆก็เหมือนแบบกลับบ้านเร็วไม่สนใจที่จะทํางานแบบทุ่มเทแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันแบบมันด่างานมันเลยนะด่าไอ้อย่างนี้นมันโทสะนะมันขี้เกียจจริงๆแล้ว <laughs> อย่าให้มันครอบใจเราอย่าให้ความรู้สึกครอบใจรู้ทันมันไป ก็มาทบทวนว่าอถ้าเราไม่รักงานถ้าขนาดนี้แล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่ทํางานยิ่งเราถ้าเราไปลูกจ้างเขานะะเขาจ้างเราทํางานแล้วเราเบี้ยวไม่ทําเรากงเขานะแต่แต่โยมทํานะทําแต่บอกว่าใจมันแบบทุกคนก็เป็นเยอะแยะไปต้องทํางานเพื่อจะได้มีอยู่มีกินแต่ไม่อยากทําเยอะแยะไปไหนใครเป็นอย่างนี้บ้างเห็นไหมดูซะเห็นไหม ไม่ได้เป็นคนเดียวหรอก <c oughs> ใครๆเขาก็เป็นเขาคงไม่เกลียดงานเท่าโยมอะไม่จริงหรอกรู้ได้ไงบางคนเกลียดมากเลยแต่ต้องทำเถราว่ามันอยู่กับโลกก็ต้องทำมาหากิ น, นจะไปนั่งๆ น, นอนๆถึงเวลาคนเขาให้กินมันมีใครเขาให้ไปทำงานไปตั้งใจไว้อย่างนี้นะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องทำประโยชน์ค่ะ <c oughs> ยิ่งถ้าเราได้ทางานซึ่งเป็นประโยชน์นะดีที่สุดเลย่ถ้าทำงานเป็นโทษนันก็ไม่ค่อยจะดีถ้าทางานอะไรที่เป็นประโยชน์เนะี่ยค้าขายก็เป็นประโยชน์นะหาของดีๆมาขายให้เขาราคา ย, ยุติธรรมนี่ก็ถือว่าเรากำลังทำประโยชน์อยู่แล้วเป็นบุญตลอดเลยอยู่ที่การวางใจถ้าคิดว่าขายไปโกงไปนะก็เป็นอกุศล น, นะถ้าคิดว่าเราทำไงใ ห, ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเนะี่ยได้บุญนะ ค่ะโยมว่าโยมคงเกลียดตรงที่ถูกบังคับให้คิดนั่นคิดนี่อะไรเงี้ยเราใช่มันก็คิดถึงไม่บังคับก็คิดอ่ะให้คนอืน่นบ <c oughs> ้างกราบนมัสการค่ะมันบีบขันกลางอกค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็ยังรักดีอยู่ดูไปค <c oughs> เห็นไหมมันไหวขึ้นมาได้เอง <c oughs> ที่กลางอกนี่ไม่หายนะถ้าดูไปจนเหนื่อยก็ต้องทำความสงบ <c oughs> ท, ส ท, ทําสมถะที่พักอย่างอื่นไม่เป็นที่พักเลย ถ้าเราเห็นกางออกไปขึ้นมาแล้วเนี่ยพักได้วิธีเดียวคือทำสมถะก็ปล่อยปลามาสามเดือนครับหลวงพ่อก็ขอยกบุญถวายให้กับทุกๆท่านให้กับหลวงพ่อนะสาธุดีจังเลยนะอยู่ๆก็ยกให้กันเลยเฉยๆก็ดีขึ้นครับหลวงพ่อตรงมานะดีขึ้นครับทิฏฐิดีขึ้นครับผมศีลดีขึ้นครับผม ความเศร้าโศกยังมีอยู่กับหลวพ่อความเศร้าโศกตัวนี้ดูมันนะอย่าให้ครอบใจครับผมรู้ทันมันไปพยายามมองโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรก็ชั่วคราวดูอย่างนี้ไปเรื่สอนใจตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้เวลาความเศร้าโศกมันมาก็สอนใจมันมาทุกอย่างมันชั่วคราวความสุขที่เจอก็ของชั่วคราวของจำปลอมะอะไรๆก็ชั่วคราวดูอย่างนี้นะใจมันจะถอนออกจากความเศร้าโศก ปัญญา ย, ยังลำหน้าอยู่ครับหลวงพ่อแล้วก็สมาธิยังกําลังไม่พอครับ <c oughs> ไปฝึกแต่ว่าเรื่องความเศร้าโศนี่เตือนมันบ้าง <c oughs> ไม่งั้นมันจะครอบเอาเตือนมันให้เห็นเลยว่าความสุขที่เราเคยมีมันก็ของชั่วคราวชีวิตนี้เหมือนความฝันไปเท่านั้นเคยฝันมีความสุขตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วในโลกของความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แหละอยู่กับความจริงหลวงพ่อให้หนูทําเหตุตอนที่ ไปสกลนครนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้หนูทาเหตุปีที่แล้วก็ทำเหตุดีอยู่ค่ะหลวงพอ่อจะดีมี่ฉันทะแล้วก็ทำ<ซ>เหตุดีดก็ได้ผลดีน ะ, ะก็ปล่อยปลากับหมอเนี่ยแหละค่ะดีครับน้ามันสักการหลวงพ่อครับคืออยู่กับโลกแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยอครับ อ, อยากจะทำรูปประชานได้อะครับผมแต่ว่าไม่รู้วิธีทำครับ ลองพยายามคนแล้วก็ไม่มีเคล็ดลับของการทำสมาธินะอยู่ที่ความสุขเราต้องดูว่าอารมณ์อะไรที่ให้ความสุขแล้วถ้าจะเอารูปประชานเราก็ต้องดูว่าอารมณ์อะไรที่ทำให้เกิดรูปปัจานสมาธิแต่ละชนิดเนี่ยให้ผลของสมาธิไม่เท่ากันอารมณ์อะแต่ละชนิดอะให้ผลของสมาธิไม่เท่ากันอย่างถ้าจะทำรูปปัจานเนี่ยเราใช้ลมหายใจก็ได้หรใช้กระสินดินน้ำไฟลมอะไรพวกเนี้ย แต่กะสิ์ไม่ควรเล่นเอาลมหายใจดีกว่าไปไหนเราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปแบกเอาเทียนไปด้วยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบไม่สงบก็ช่างมันแต่ทำใจให้สบายไว้ก่อนนะอย่าจับแรงแตะลมหายใจแบบเบาๆสบายๆอย่าจ้องแรงถ้าจ้องแรงแล้วไม่สงบเพราะไม่มีความสุขนะหายใจเล่นๆไปถ้าใจมีความสุขนะลมมันจะค่อยประนีตประนีตขึ้น ในสุดลมมันจะหยุดเองอะมันกลายเป็นแสงนะนขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกอะ <Okay. S 1> ไปเล่นทุกวันนะใช่จะเล่นชานต้องเล่นทุกวันครับผมขอบคุณครับที่ทุกนี้เป็นเพราะว่าเราหมายถึงเราปรุงซ้าหรือเปล่าคะเราปรุงซ้ำสิเรายอมรับสภาวะของปัจจุบันไม่ได้จริงอะใจเราดิ้นดิ้นเนะสังเกตไม้มใจมันดิ้น คือถ้ามันเจอเรื่องเจออะไรมันยังมอนห้ามไม่ได้ใช่ค่ะหนูเริ่มเห็นมุมนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะแบบหลุดได้อะไรอย่างเงี้ยกิเลสจะเกิดเราก็าห้ามไม่ได้นะจิตจะหลุดพ้นเราก็สั่งไม่ได้มัน<ล>ไม่ใช่เราหรอกมัน<ำ>ตอนนั้นเราจะดูยังไงคะโอ้ยรู้สิเหมือนกินข้าวอะ่ะกินข้าวไปเรื่อยๆไม่น่าจะอิ่มเลยมีข้าวอยู่หนเดี๋ยวกินไปกินไปก็อิ่มจนได้ะถึงเวลาอิ่มมันก็รู้นะว่าอิ่มแล้วมันรู้ด้วยตัวเองหรอก หนูรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นจากความทุกข์ที่เจอค่ะดีแล้วก็รู้สึกชัดเจนกับกับเป้าหมา ย, ยาดีพยายามช่วงหลังนี้เหมือนรู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติก็พยายามเข้าใกล้เออนะตอนนี้หนูมีปัญหาว่าหนูไม่แน่ใจว่าคือหนูมีความพอใจในการปฏิบัติอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งมันอยู่อย่างเงี้ยแช่มันน่าจะเป็นปัญหาแล้วอะค่ะฮะอะไรเป็นปัญหานะ คือพอใจที่เห็นตัวเองรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แบบอยู่แบบนี้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรคือตราบใดที่ยังรู้อยู่นะจะพอใจไม่พอใจไม่สำคัญหรอกยิ่งเป็นกลางกับมันไปนกราบนมัสการหลวงพ่อ้าค่ะพอดีช่วงนี้รู้สึกว่าไปหมกมุ่นกับการทำอาหารกินแล้วรร ม, มั น, นฟุ้งซ่านแล้วแวบบว่า มันเหมือนกับว่าภาวนาก็คิดว่าพอดูได้แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยมากลับเรียนเป็นฆราวาสนะจะเอาให้เต็มร้อยไม่ได้หรอกมันต้องทำมาหากินแต่เวลาทำมาหากินถ้าภาวนาเป็นน้าก็ควบพอไปด้วยการทำมาหากินบางอย่างที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเราปฏิบัติได้ตลอดเลยอย่างเช่นเราขายของนะนั่นเราก็ดูของเราได้แต่ถ้าอย่างที่ต้องใช้ความคิดอย่างเขียนซอฟต์แวร์อย่างนี้นะปฏิบัติไม่ได้เลย เพราะพวกที่เขียนซอฟต์แวร์เนี่ยต้องให้เงินเดือนเยอะหน่อยเพราะชีวิตไม่เจริญนะไม่เจริญในทางธรรมหมายถึงมันจะหมกมุ่นอยู่กันนะจิ้มออกนอกตลอดคือช่วงนี้รู้สึกเหมือนสติมันน้อยก็กลัวจะหลุดทางคือมันกังวลเจ้าหลวงพ่อกังวนให้รู้ลงปัจจุบันไปคือช่วงดูมันก็เห็นบางครั้งมันเหมือนกับว่ามันมันตัดวางได้เลยว่าเหมือนมันแยกมันไม่ใช่ของเราอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมันไม่ได้ทุกทีหรอก เป็นคราวๆช่วงไหนปัญญาเกิดมันก็ตัดช่วงไหนปัญญาไม่เกิดก็ไม่ตัดมีแต่สติไม่ตัดนะถ้าเกิดเข้าใจแล้วถึงจะตัดเจ้าค่ะแล้วต้องขอคำแนะนําลวงพ่อหน่อยขอบพระคุณเด้วยค่ะธรรสการ์เจ้าค่ะเคยส่งหลวงพ่อมาเมื่อนานมาแล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูอนัตตาเจ้าค่ะแต่ว่ายมไม่แน่ใจว่า มันเห็นจริงไหมหรือบางทีมันเข้านว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออคป่ะเจ้าค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันตัวนี้ดูออกไหมเจ้าค่ะสุขทุกข์ดีชั่วกระใจายก็คนละอันดูออกไหมเจ้าค่ะเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เราอะไรที่ถูกรู้ไม่ใช่เราสักอันเลยเจ้าค่ะนั่นดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะนี่แหละเห็นว่าไม่ใช่เราเจ้าค่ะต้องทําอะไรเพิ่มไหมไม่ทําหรอกดูบ่อยๆเจ้าค่ะนะ ถ้าดูไม่รู้เรื่องก็สวดมนต์ไปให้ใจได้พักผ่อนเจ้าค่ะสวดมนต์ไปมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาดูมันทํางานอีกอค่ะไม่มีเราเจ้าค่ะนามส ก, กานครับหลวงพ่อก็ช่วงที่ผ่านมาผ ม, มพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเวนลาสินาทีอย่างน้อยอย่างที่หลวงพ่อบอกบเกิดีแล้วล่ะครับสังเกตไห้ว่าจิตเรมารรมีแรงมากขึ้นครับครับมีแรงมากขึ้นครับนั่นแหละดี ฝึกไปเ ร, เรื่อยนะสะสมของเราไปทุกวันทุกวั น, ทวนโทรสาแทกเข้ามาก็รู้ทันเองครับคราวนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าเวลาภาวนาในรูปแบบครับหลวงพ่อเวลาจิตหนีไปคิดนี่ผมก็รู้แล้วก็ก็จะดับก็ก็จะดับลงแต่เวลาจิตไปร้องเพลงครับอืทําไมผมสังเกตว่ารู้แล้วบางครั้งมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดับเหมือนมันก็ร้องต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อห้ามมันไม่ได้หรอครับ หลวงพ่อน like ้าเคยโมโหเหมือนเหมือนกันนะสมัยเป็นโยมนะจิตมันร้องเพลงแทนที่ร้องให้จบเพลงนะไม่ร้องหรอกร้องอยู่ประโยคเดียวอะร้องอยู่เป็นวันนะอุ้ยเห็นแต่ทุกข์นะรัตนี้เห็นทุกอย่างที่มันร้องเพลงหรือเพลินคขาเขาพงเป็น ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนครับหลวงพ่อครับถ้ามันมันร้องยาวไหมหรือร้องประโยคเดียวส่วนใหญ่มันจะพยายามร้องให้จบเพลงครับแล้วก็จะเริ่มใม่ไอ้อย่างนั้นไปช่วยมันร้องแล้ว <c oughs> ถ้ามันร้องเองมันร้องเป็นท่อนๆ <c oughs> ถ้าหลกเติมความพยายามเข้าไปนี่นะอันนี้ก็ทํากรรมแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าไปช่วยมันร้องสิครับนะถ้าอยากร้องให้รู้ว่าอยาก อย่างนั้นก็ทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อไม่ใช่ร้องไปเรื่อยๆนะครับ่ใจมันร้อง<ๆ>ก็อย่าไปช่วยมันร้องเห็นว่าใจมันร้องเพลงถ้าใจมันอยากไปช่วยมันร้องให้รู้ว่าอยากอย่าไปหนุนกําลังให้มันขอบคุณครับกลับนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะพอดีหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาสี่ปีแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะก็ก็ ปีหลังๆนี้รู้สึกรู้รู้ตัวดีขึ้นค่ะแล้วก็แต่ว่าในรูปแบบอะค่ะก่อนหน้านี้อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ว่าปีที่แล้วก็พยายามทํา ม, มากขึ้นแล้วก็คื อ, อ, อพยายามไม่ขาดอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเ อ, อยังไม่ไม่พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ<ม>่อก็เลยพัฒนานะสังเกตไหมขันมันแยกได้ นั่นแหละพัฒนาครั้งสําคัญเลยคือถ้าแยกขันไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้ค่ะเมื่อขันมันแยกได้แล้วดูลงไปสังเกตไม่ว่าใจมีแรงมากขึ้นค่ะก็รุ้รู้ตัวได้ดีคืเพราะว่าเราเราทําในรูปแบบทุกวันนะใจจะมีกําลังถ้าไม่ทําในรูปแบบไม่มีแรงอ่ะดูดูไปงั้นดูสังกตายดูงั้นที่ทําอยู่ใช้ได้นะแล้วต่อไปมันยกค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นได้ถ้าไม่มีเวลาจะเพิ่มเวลาก็เพิ่มรอบ มีรอบเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยมีเวลานิดหน่อยก็ทํานะได้ค่ะจะอย่างนั้นต่อไปจิตเรายิมีพลังมากกว่านี้ค่ะ<น>ะแล้วหนูต้องเพิ่มอะไรไหมเพิ่มแรงไงแรงยังไม่พอได้ค่ะแต่รู้หลักแล้วค่ะเห็นไหมเรารู้เราแยกขันเป็นเลยแต่แรงมันไม่พอค่ ะ, <น>ะก็หนูสัญญาว่าปีนี้จะ ทำให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วคะ่ะหลวง่อสัญญาอย่างนี้สิปีนี้จะทําให้สม่ําเสมอค่ะออส่วนดีขึ้นหรือเลวลงเราสั่งไม่ได้หรอกได้ค่ะถ้าว่าจะต้องดีขึ้นเราจะเครียด น, นะคือช่วงนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นเจ้าคะ่ะแต่คิดว่าต้องมีอะไรที่ขัดข้องแน่เลยคะ่ะเพราะว่ายังเห็นยังไม่รู้สึกว่าโลกห่างๆกับเหมือนคนอื่นนะคะมันห่างแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่รู้สึกเท่านั้นเอง มันไม่สรุปออกมาเราคิดว่าห่างๆเนี่ยต้องอยู่ห่างๆกันที่แท้ก็คือมันเป็นโคละอันกันสังเกตไหมกายกับใจเป็นโคละอันกันเจ้าค่ะอันนี้เห็นเห็นไหมสุขทุกข์ดีชัว่วกระจายเขาคละอันกันเจ้าค่ะอะไรที่เรียกว่าโรคหลวงพ่อบอกเม่อก